กรรมของเราหนอบุญของเขาหนอเมื่ออาตมาเป็นพระผู้น้อยเคยมองพระผู้ใหญ่ ว่าท่านได้เปรียบไม่ว่าในเรื่องอาหารบิณฑบาตเสนาสนะตลอดจนหน้าที่การงานทั้งหลายและมักนึกน้อยใจกรรมของเราหนอบุญของท่านหนอแต่พอเรากลายเป็นพระผู้ใหญ่ซิเองบางทีได้รับอาหารประนีที่แจกไม่ถึงปลายแถว มีเบาะนุ่มๆพิงหลังแล้วไม่ต้องทำงานกรรมกรมากเหมือนแต่ก่อนอาตมากลับรู้สึกอิจฉาพระผู้น้อยบ้างพระผู้น้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆไม่ต้องนั่งฟังปัญหาชาวบ้านทั้งวันและไม่ต้องเสียเวลาวันละหลายชั่วโมงกับงานบริหารท่านไม่มีภาระหน้าที่อะไรเลย ห่านมีเวลาทํากิจส่วนตัวมากโขกรรมของเราหนอบุญของท่านหนอสุดท้ายอาตามาก็ฉกคิดได้ว่าอะไรเป็นอะไรพระผู้น้อยก็ทุกแบบพระผู้น้อยส่วนพระผู้ใหญ่ก็ทุก แบบพระผู้ใหญ่มันก็แค่การสับเปลี่ยนจากความทุกข์ในรูปแบบหนึ่งมาเป็นความทุกข์ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเช่นเดียวกันกับที่คนโสดบางคนอิจฉาคนมีครอบครัวส่วนคนมีครอบครัวบางคนก็อิจฉาคนโสดณบัดนี้ เราน่าจะรู้แล้วว่าเมื่อเราแต่งงานเราก็เพียงแค่สับเปลี่ยนจากความทุกข์แบบคนโสดมาเป็นความทุกข์แบบคนมีครอบครัวและถ้ามีการหย่าร้างเราก็สับเปลี่ยนจากความทุกข์แบบคนมีครอบครัวมาเป็นความทุกข์แบบคนโสดอีกครั้งถ้าเราไม่เข้าใจว่า ความทุกข์มีรูปแบบต่างๆที่นีเราก็มักจะอิจฉาคนอื่นอยู่ร่ำไปกรรมของเราหนอบุญของเขาหนอคนจนมักจะอิจฉาคนรวยส่วนคนรวยก็มักอิจฉาคนจนที่ไม่ต้องคอยระแวงว่า คนเขารักเราเพราะตัวเราหรือเพราะเงินของเรากันแน่แถมคนจนอย่างสบายไม่ต้องมีธุรกจิจมากมายรัดตัวเขาคนที่ร่ำรวยขึ้นมาก็เพียงแค่แลกเปลี่ยนความทุกข์แบบคนจนมาเป็นความทุกข์แบบคนรวย ในทำนองเดียวกันคนปลดกเกษียณและรายได้อดหายก็เพียงแค่แลกเปลี่ยนความทุกข์แบบคนรวยมาเป็นความทุกข์แบบคนจนเป็นเช่นนี้เรื่อยไปกรรมของเราหนอบุญของเขาหนอ ความคิดที่ว่าเราจะมีความสุขหากเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยแท้เมื่อเราได้เป็นอะไรอย่างอื่นเราก็เพียงแค่แลกเปลี่ยนความทุกข์ในรูปแบบหนึ่งเป็นความทุกข์ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อใดที่เราพอใจกับสถานะที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระผู้น้อยหรือ พระผู้ใหญ่คนมีครอบครัวหรือคนโสดคนรวยหรือคนจนเมื่อนั้นความทุกข์ในความเป็นอยู่จะไม่เกิดขึ้นจะนับได้ว่าเป็นบุญของเราหนอ